จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความยิ่งใหญ่ ที่แท้จริงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นต้องยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงามต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาจนได้ตัดสรู <c oughs> เป็นพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเพราะ เป็นผู้ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่มีความสุขที่ถาวรปราศจากความทุกข์ต่างๆไม่เหมือนกับความยิ่งใหญ่ทางโลกเช่นยิ่งใหญ่ด้วยลาบยศสรรเสริญความยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะ ไม่มีอะไรที่แน่นอนในโลกนี้นั่นเองจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในทางโลกก็จะมีวันที่จะต้องเสื่อมไปหมดไปได้เพราะนี่คือเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาจากักรพรรดิมหาราชา ปรธานาธิบธดีนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีก็ต้องพบกับความเสื่อมพบกับความสิ้นสุดของสถานภาพเหล่านี้ไปเพราะนี่คือกฎแห่งอนิจธรรคือความไม่ถาวรความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญย่อมมีเสื่อมได้มีเกิดย่อมมีดับได้ แต่ความเจริญทางธรรมนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับมีแต่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่มีแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังแปลว่าบาล ม, มาสุขบามก็คือ สูงสุดใหญ่สุดดีที่สุดบารมสุก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุดนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้นำเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่พวกเราทั้งหลายที่ยังหลงอยู่กับความยิ่งใหญ่ที่ไม่ถาวร ความสุขที่ไม่ถาวรความสุขที่มีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตามมาเพราะเวลาที่ต้องเสื่อมต้องเสียสูญเสียสิ่งต่างๆไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาเศร้าสศกเสียใจทุกข์ทรมานใจอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนมาหา บอกว่าเพิ่มถูกกอตตรี่แทงหวยได้มา5้าแสนแต่สองวันต่อมาลูกชายก็ไปประสบอุบัติเหตุถึงกับเป็นอมัอมาพาตไปนี่คือความยิ่งใหญ่ทางโลกพอไปได้เงินมาก็ดีออกดีใจพอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปประสบอุบัติเหตุถึงกับนอนหลับ ไม่ตื่นก็มีความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งเงินที่ได้มาห้าแสนนั้นไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ทรมานใจได้เลยนี่ถ้าเป็นทางของทางศาสนาทางธรรมแล้วผู้ที่มีความสุขอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเสือ่อม ของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของผู้อื่นก็ดีร่างกายของตนเองก็ดีถ้าถึงเวลาที่เป็นอะไรไปใจที่มีความสุขอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่เดือดร้อนเพราะความทุกข์ที่จะมาเขยา่าขวัญจิตใจนี้มีกำลังสู้ความสุข อันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของร่างกายร่างกายจะแก่ท่านก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายไปท่านก็ไม่เดือดร้อนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะเสื่อมไปจะหมดไป ท่านก็ไม่เดือดร้อนตำแหน่งต่า ง, างๆไม่ว่าจะเป็นมาหาจักรพรรดิมาหาราชาเป็นมาหาเศรษฐีเป็นนายกหรือเป็นอะไรเวลาเสื่อมไปท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านมีสิ่งที่ดีกว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในใจนั่นเอง พวกเราจึงอย่าไปหลงหาความสุขที่สู้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบไม่ได้อย่าไปสนใจหาความสุขทางลากทางยศทางสรรเสริญเพราะว่ามันมีวันเสื่อมมันมีวันหมดไปมันไม่แน่นอนได้มาวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหายไปได้หมดไปได้ แต่ความสุขอันยิ่งใหญ่ภายในใจนี้ไม่มีวันหายไม่มีวันหมดไม่มีใครสามารถที่จะแย่งเอาจากเราไปได้นี่คือการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทําเป็นขั้นบันไดไปขั้นที่หนึ่งท่งานก็ให้ทําทานให้เสียสละแบ่งปัน ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ซี่เป็นความสุขที่ด้อยกว่าความสุขที่จะเกิดจากการสละทรัพสมบัติต่างๆไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาทรงเสด็จสละราชสมบัติออกบวชนี่คือการสละคือการแลกเปลี่ยนความสุข ที่ไม่ใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่เอามาแลกเปลี่ยนกับความสุขที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการทําทานเวลาทําทานแล้วใจของเราจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราไม่ได้ทําทานตอนที่เรามีเงินเรากลับไม่มีความสุขแต่พอเราสละเงินให้แก่ผู้อื่นไปเรากลับได้ความสุข ขึ้นมาภายในใจของเรายิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นนะถ้าทำได้หมดเลยก็ยิ่งจะมีความสุขใหญ่พราะจะทำให้เราสามารถที่จะออกบวชได้ออกมารักษาศีลสร้างความสุขขั้นที่สองที่ดีกว่ามากกว่าความสุขขั้นที่หนึ่ง ความสุขขั้นที่หนึ่งเกิดจากการให้ทานเกิดจากการแบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่มากเกินไปเหลือกินเหลือใช้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าอย่าเอาไปซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ทำให้เราเกิดความสุขแต่อย่างใดแต่กลับจะเกิดความทุกข์ เพราะว่าซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีกเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอพออยากจะซื้อก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจต้องเสียเงินซื้อมาอีกเสียเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะทำให้ความทุกข์ใจนี้หมดไปได้เพราะความทุกข์ใจนี้เกิดจากการทำตามความอยาก ถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจนี้เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากเช่นเราอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เราอยาาซื้ออย่าทำตามความอยากเราเอาเงินที่จะซื้อของเหล่านี้มาทำบุญแทนมามาช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าถ้าเราซื้อก็ได้ ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอย่ากเก็บเอาไว้เองซื้อกระเป๋าแล้วก็เอาไปให้ใครก็ได้ซื้อเส sí, ื้อ Ryan, ผ้า ช, ชุดใหม่แล้วก็เอาไปให้คนอื่นถ้าเราทำอย่างนี <S <s sí. ้แล <um ้วความอยากมันจะหมดไปความทุกข์มันจะหมดไปเพราะจะไม่มีความอยากจะซื้อใหม่อีกนั่นเองเพราะรู้ว่าถ้าซื้อใหม่ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้อยู่ดีซื้อมาแล้วก็ต้องให้คนอื่นไป นี่คือวิธีทำลายความทุกข์ความอยากภายในใจของเราด้วยการทำทานอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วมีเงินซื้อของเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเพราะมันจะมีของที่จะมาล่อใจเราอยู่ตลอดเวลาณของก็มีราคาหลายราคาด้วยกันมีน้อยก็ซื้อของถูก พอมีเงินมากก็ต้องซื้อของแพงดังนั้นไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเอาไปซื้อของตามความอยากแล้วจะไม่มีวันพอแล้วว่าแล้วก็จะต้องหมดไปได้สักวันหนึ่งแต่ถ้าเราเอาเงินมาทําทานใจของเราก็จะมีความยอยากซื้อของน้อยลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะหมดไปแล้วเราจะมีความสุขจากการที่เราได้ทำบุญทําทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความเมตตากรุณาคือความปรารถนาดีคิดดีต่อผู้อื่นจะทำให้เราไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากจะทำลายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่น ก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ตอนนี้ที่เรารักษาศีลไม่ได้กันเพราะเรายังขาดความเมตตากรุณาเพราะว่าเรายังมีความอยากซื้อสิ่งต่างๆให้กับเรานั่นเองพอเราอยากจะซื้อเราก็ต้องหาเงินมากๆเวลาหาเงินบางทีอยากจะได้มากๆเราก็ต้องโอกหกบ้างต้องโอกงบ้างถึงจะได้เงินมา แต่ถ้าเรามีความเมตตาที่เกิดจากการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเราจะไม่อยากจะทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถึงแม้เราอาจจะต้องการเงินแต่ถ้าเราต้องไปทำบาปต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่ทำนี่คือการ รักษาสี่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราทำทานได้ถ้าเราเสียสละได้ถ้าเรามีความเมตตาการุณาเราจะรักษาสีลได้เวลาเรารักษาสีลได้ใจของเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่าการให้ทานพ่าเวลาเราไม่ทำบาปทำกรรมนี้ เราจะไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกังวลใจเวลาเราทำบาปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ที่เรายังไม่สามารถละการกระทำบาปได้ก็เพราะว่าเรายังทำทานไม่ได้เรายังโวงเรายังโลภอยากได้เงินทองเพื่อที่เราจะได้ เอาเงินทองนี้ไปซื้อของต่างๆมาซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปแต่กลับทำให้มีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของต่างๆไปทำบุญทำทานเราจะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น เพราะความอยากซื้อของต่างๆมีน้อยลงไปนั่นเองแล้วก็จะเกิดความเมตตาทำให้เราไม่ต้องทำบาปทำกรรมพอเราไม่ทำบาปทากรรมเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจวุ่นวายใจเราก็จะมีความสุขใจเพิ่มขึ้นไปอีกนี่แหละคือการสร้างความสุขขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งก็ทำทาน พอทําทานได้เราก็จะทาขั้นที่สองได้รักษาศีลได้พอเรารักษาศีลได้เราก็จะสร้างความสุขขั้นที่สมได้ความสุขขั้นที่สก็คือการทำใจให้สงบใจของเราไม่สงบเพราะว่าเราไม่มีเวลามาอยู่เฉยๆกันถ้าเรายังมีความโลภอยากได้นุ่นได้นี่เรายังทำบาปอยู่ เราจะไม่สามารถมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาว่างแลเพราะว่าเราไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมามากมายกายกองไม่ต้องไปทำบาป ท, ทากรรมแล้วก็ต้องไปคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำบาป ท, ทากรรมของเรา เราก็จะมีเวลามีใจที่สงบที่จะมานั่งสมาธิเพื่อสร้างความสุขขั้นที่สามได้ความสุขขั้นที่สานี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินก็เหมือนกับขั้นที่หนึ่งก็เป็นเงินร้อยขั้นที่สองก็เป็นเหมือนเงินห้าร้อยขั้นที่สามนี้ก็จะเป็นเงินพันระดับพัน เวลาทำใจให้สง บ, บแล้วใจจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมากกว่าความสุขจากการได้ทำทานนับประสาอะไรกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็น ความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี้จะอยู่กับเราภายในใจของเราเวลาที่เราอยู่ในสมาธิแต่เวลาที่เราออกมาความสุขนี้ก็จะจางหายไปได้ถ้าเราอยากจะรักษาให้อยู่กับเราต่อไปเราก็ต้องสร้าง ความสุขขั้นที่สี่ขึ้นมารองรับความสุขขั้นที่4นี้ก็คือเกิดจากการเจริญปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถรักษาความสุขที่เราได้จากสมาธิได้เพราะสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิ<ม>ก็คือความอยากต่างๆนี้เองพอเวลาออกมาจากสมาธิแล้วถ้าเราไม่ มีปัญญาไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของเราพอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเราเกิดความอยากแล้ว ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปถ้าเราอยากจะรักษาความสงบจากสมาธิเราก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไม่สามารถทำให้ได้ดังใจเสมอไปบางเวลาก็ทาได้บางเวลาก็ทำไม่ได้เวลาทำไม่ได้ใจของเราก็จะวุ่นวายกระสับกระส่าย กวนก歪หรือถึงกับเสีย อ, อกเสียใจหรือถึงกบโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทขึ้นมาพอเราเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาความสุดที่เราได้ส s สร้างมาจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิก็จะถูกอารมณ์เหล่านี้มากลบไปไม่หายไปแต่ถูกกลบไป ถ้าเราละนับความอยากได้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิก็จะกลับคืนมาขึ้นมาใหม่นี่คือความสุขขั้นที่สี่ที่ถาวรเพราะว่าถ้าเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราได้ ใจของเรานี้จะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องใดจะไม่มีความทุกข์กับใครทั้งนั้นเพราะเราไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับเขานั่นเองเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เราไม่เกี่ยวเรามีความสุขของเราอยู่ในใจของเราแล้วเราพอแล้วเราไม่เดือดร้อน ใครจะทําอะไรดีหรือชั่วเราก็ไม่เดือดร้อนเหตุการณ์จะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงเราก็ไม่เดือดร้อนดอกเบี้จะขึ้นหรือจะลงเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจของเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาความสุขที่เกิดจากการทําทางความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาที่จะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขแบบนี้เราก็ต้องทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมันทำทานอยู่เรื่อยๆมันรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันนั่งสมาธิอยู่ได้เรื่อย แล้วมันสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไ ป, า ป, นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราทำได้แล้วใจของเราจะมีความสุขเราไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องมีใครยกย่องสรรเสริญเยาะยอเพราะว่าความสุขที่เรามีอยู่นี้ มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายนั่นเองยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเป็นมหาจากักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการรับการสรรเสริญยกย่องเยือนยอนี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอรหรันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้มอบไว้ให้กับพวกเรา ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้เราก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคใดสมัยใดความสุขแบบนี้สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกเวลาเพราะว่ามันไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นทาในสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ ทำในสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้ขอให้เราได้ทำสามสี่อย่างนี้เท่านั้นก็คือทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิแล้วเจริญปัญญาถ้าเราทำได้เราก็จะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัต <c oughs> ิเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขละความเจริญเก้าข้าปลอดภยัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ